12. ทุพจะสิกขาบท 19. ถามพระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติสังฆาทิเศษแก่ภิกษุเป็นคนว่ายากไม่สละกรรมจนกระทั่งสงสวดสมนุภาพครบสามครั้งณนะที่ไหนตอบ ทรงบัญญัติณกรุงโกสัมพีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบท่านพระชนะถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ท่านพระันะอันภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวตักเตือนโดยชอบธรรมกลับทาตนให้เป็นคนที่ว่ากล่าวตักเตือนไม่ได้